อายาที่หน al si ึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกอฮาลาหุอัลบะลาอุลโมบินถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอินหูมิอิบะดินอัลมุอเมนินคุณอ่านไม่ไหมนะ กลวโควิดเอาอ่านนเองกันแวกันนะพร้อมๆกันออาุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิร์จีมอินน่ฮะจัลลััลเบลาอุลมูบิ وفدناه ي بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.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 اللهم ب ك أ ص ر ح ن ا و ب ك к أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت و إ ل ا ك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و ه و السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا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 วามิดาดคำมันที يَا حي يَا قيوم بِرَحْمَتِكَ أستغيثأصلح لي شأني كله ولا تكلنيإلى نفس طرف تعينحسبي الله ونعمل وكيلسلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت ه ا ل م د لله พี่น <ja. S 2> ้องที่ร่วมนมาต์ุบฮ์ที่มัสยิดอันวาริสุนนะคอนเฟ็ดนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการ อยู่ที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านและบางคนก็นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับขายของตอนเช้าเช้าเความเมตตาของอัลลอ์สุบฮานวตาลานะครับที่เราที่อัลล์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความแข็งแกร่งของเราหรอกแต่เป็นความเมตตาของอัลลอ์ให้เราต้องกล่าวว่าอัลฮัมุลิลลาห์นึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาเพี่นน้องครับโรคโควิด ที่เป็นโรคที่เรากลัวกันทุกคนทั่วโลกนะนะเจ็ดพันล้านในกลัวกันหมดในเมื่อกลัวแล้วเนี่ยต้องขอดวงต่ออะห์ก็ปกป้องอนะ่ะหนึ่งอย่าออกจากบ้านเวนลาออกแล้วก็ให้ใส่อะไรนะกากหน้ากากนะนี่อะไรหน้ากากเนี่ยหน้ากากก็ขอดวาด้วย ล้างมือไอเราเนี่ยล้างมืออยู่แล้วด้วยอาบท่าที่อาบน้ำนำมาัาวันหนึ่งห้าครั้งแล้วเราต้องขอดวอาดวอาที่ท่านนาบีสอนนะครับก็คืออัลลอฮุมะอินน un ีอาอูซบิกะมินัลบาลอซีวลจุนูนีวลจุดามวามินยซอิลอสกอมว่ามันเป็นร้อยร้ยครั้งก็ได้นะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะ มินัลบารอซีและจุนนิวัลจุดามิวะมินไซอิลอสกอมนี่เป็นตุวอ้าของท่านน บ, บีนะครับพันสีร้อยกว่าปีมาแล้วดูคำแปลนะอัลลอฮุมัยนีโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมินัลบารอซีโรคอะไรเนี่ยขาวขาวด่างอ่าวัลจุนูุนโรคเครียดๆ เพราะเราอันเฟซเยอะนี่ยทุกวันเค ร, รียดแล้วก็วัลวัลยูซามีโรคเรื้อนอันตรายทั้งหมดเลยสามโรคนี่นะครับวามินไซลัสกอมแล้วก็โรคอันตรายเนี่ยอันตรายที่สุดเลยโรคเนี่ยโรคโควิดนี่แหละก็นึกโควิดก็แล้วกันวามินไซลัสคอมต้องขอครับนะครับก็เรามีทางออกของชีวิตเพราะอิสลามเป็นตัวช่วยนะครับ Allahu um ma yani ahu zubik min al baris wal junun wal judam و من سيء الأصقم ขอบคุณอรรถนะครับที่เราได้มาทบทวนอัลกุรอานปีนี้เป็นปีที่สามสิบแปดเพิ่งได้สามสบเจ็ดอายะนะครับวันนี้มาถึงสุรอรัศรอฟาตอายาที่หนึ่งรยหกนะครับวันนี้คนอ่านกุรอานทาจารยิมรอนคงไม่สบายนะ เรมนกรโควิดก็อ <G> ัลลอฮุมะจัสลีอัลลอฮุมะจัสลีอัลลอฮุมัีเรากาลังอยู่ในช่วงของการอธิบายอะไรนะประวัติเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมอัลลอิสซลามนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นนบีที่ทุกศาสนาเนี่ยยอมรับหมดศาสนายิวก็ยอมรับนบีอิบราฮิมศาสนาคริสก็ยอมรับนบีอิบราฮิม แล้วก็สองศาสนานั้นเนี่ยก็ต่างคนต่างแย่งกันว่าอิบราฮิมไงอยู่ในศาสนายิวศาสนาคริสต์เขบอกว่ า, วาอิบราฮิมอยู่ในศาสนาคริสต์อัลลอฮ์ตอบในคัมภีกรุรอานมากานันใยัคกูดิยันมากานันใอิบราฮิมหรยัคกูดิยนันเวลาเนสรานียนบัลกนันใมุสลิมันเราบอกว่านวอิบราฮิมไม่ใช่เป็นยิว หนาแตกไหมนบีอิบราฮิมไม่ใช่เป็นคนยิวและไม่ใช่เป็นคนคริสเตียนวัละกินมุสลิมแต่นบีอิบราฮิมเป็นผู้ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมตลงรู้ว่าทุกศาสนาในโลกนี้ที่ใหญ่ๆนะหินอะไรนะศาสนายิวศาสนาคริสตศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ตัดสินให้นบีอิบรอฮิมไม่ใช่เป็นยิวไม่ใช่เป็นคริสแต่เป็น มุสลิมอัลฮัมดุลิลละคนทั้งโลกในยอมรับนบีอิบราฮีมหมดนะครับแม้แต่คนมุสลิกนะ่ะก็ยอมรับว่าอิบราฮีมเป็นคนดีนะอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ลูกๆนบีอิบราฮีมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ ย, ย, ยอยู่ในบันีอิสราเอลหมดเลยมาถึงนบีอีสาคนสุดท้ายพวกยาฮูดีก็หวังว่า จะมีนบีมาอีกคนหนึ่งคนคนสุดท้ายในคมพีเตรอ์ออธิบายไว้ในอินยีนก็อธิบายไว้ก็นั่งรอกันอยู่เฝ้าเฝ้าเฝ้าเ ฝ, ฝ้ากันมานึกว่าจะมาในกลุ่มนู้นแต่มันเกิดที่นครมักกะพอเกิดที่นครมักกะพวกนี้รับไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอลัลลอฮ์เป็นคนสุดท้ายไม่ยอมรับ ถ้าไม่รองไม่ยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของเราเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้ก็แค่นั้นแหละแล้วก็เวลาอัลลอด์จะสอบในกูโบฮามาลิกา ม, มาสอบเนะี่ยสอบสามเรื่องใช่ไหมมารับอุกะามันนบียุกกก็ต้องตอบว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของฉันถ้าอย่างนั้นคุณอยู่ในทางที่หลงลงผิดหมดเลยนะแล้วก็มันอิหม่ามุกใครเป็นอิห ม, ม่ามท่านก็คือกุราน ตัวหลวง่าสามรายการนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตก่อนตายต้องเข้าใจสามเรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจสามเรื่องนี้ตายสิลําบากหมดเลยครับแต่ก่อนตายเนี่ยเอาลองไม่สแสดงอาการแบบโรคโควิดนี่แหละไม่สแสดงอาการนะแต่พแสดงอาการก็เวลาความตายมาถึงคอหอยนั่นแหะจะรู้สึกอ๋อฉัน พะในคัฟีอุกอานอธิบายบว่าคนที่นอนอยู่ในกูโบนวันนึงไม่รู้ว่ากี่พันครั้งกี่แสนครั้งกี่หมื่นครั้งบ่นบอกว่าอัลลอฮ์ฉันได้เป็นมุสลิมก็จะดีฉันได้เป็นมุสลิมก็จะดีก่อนตายอย่อัลลอฮ์จ้าละ ah <laughs> นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็เรื่องของท่านใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์จะไปบนตอนไหนนอนอยู่ในกุโบนถ้าไม่รู้จักกุกอานไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีมุฮัมมัด สามรายการนี้อยู่ในกุบบนลาบากหมดเลยครับทดูเดวเอาวันนี้เรามาถึงสุรัชฟลอายที่หนึ่งร้อยหกนะครับอินฮาลาฮูอัลเบลาอุลมูบินอินฮาลาฮูอัลเบลาอุลมูบินมาดูคาแปลก่อนครับ ที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็บาละใช่ไหมอ่านี่แหละบาละนี่แหละบาละแปลว่าการทดสอบหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาสาก็ได้แต่บรรดาอุลมามะมุสลิมอธิบายอย่างนี้บาละนี่เรียกสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างนี้โควิดนี่เป็นบาละนะในกลุ่มมุสลิมเขาเรียกว่าบาละแต่ในกลุ่มไม่ใช่มุสลิมเนี่ย ไรศสัทธาเขาเรียกอาดาบแยกชัดเจนเลยนะครับในกลุ่มผู้ศรัทธาต่อรอลเรื่องเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเรื่องหนักอกหนักใจนี่นะเกิดขึ้นนั้นสำหรับในกลุ่มมุมินเรียกว่านะบาลาแต่สำหรับกลุ่มกาเฟตมุชริกรีนกาเฟรีนเรียกว่าอะไรนะอาดาบครับทีนี้มาดูศัพท์ อิน uh, uh, แท้จริงนั้นควันนั้นเนี่ยหมายถึงเรื่องของนายอิบรอฮิมอาดัยฮิสซลาเรื่องของนบีอิบรอฮิมที่เชื่อลูกใช่ั้มแล้วก็เชื่อลูกได้เปล่าเชื่อไม่ได้อลรรไม่ให้เชื่อมีดก็ไม่คมด้วยทั้งที่ก่อนก่อนนำมาเชื่อหนะัรับอย่างดีเลยนะพอมาเจอคอร์นบีอิสมาอินก็เรียบร้อยเลย พอแล้อลัลลอฮ์เขา้าใจเราเองโอ้โหนี่ชมนบีอิบราฮิมเป็นคนยศบัตอดทนสารพัดนะครับกี่กี่อย่างอ่ะขอเล่าเรื่องเก่าๆก่ๆกอนเนี้ยหนึ่งๆอะไรบ้างนาบีเนี่ยนบีอิบรอฮีมนี่เป็นคนที่ยอมจำนนตนต่ออลัลลอฮ์ฝันว่าเชื่อลูกก็เชื่อจริงๆถามลูกชายว่าเชื่อหรือไม่เชื่อลูกบอกเชื่อเลยเพ่อโอ้โ ห, โ ห, โหต่างคนต่างเข้มแข็งหมดเลยนะครับพอจะเชื่อจริงๆอลัลลอฮ์บอกว่า ฟ า, านาฟานาดายนาหูไอยาอิบรอฮมเมื่ออิบรอฮิ เ, ออรอฮเริ่มจะเชื่อดเราได้ร้องเรียกเขาว่าอิบรอฮมเอ๋ยท่านเนี่ยได้ปฏิบัติจริงตามที่ท่านฝันแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมาแทนนะเอาแกะมาแทนอย่างนี้เป็นตัวที่ผ่านมานี่ยนะเอาอยู่นี้อัลลอฮ์เล่าว่าอินฮาดแท้จริงนั่นที่ท่านนาบีอิบรอฮิทําทั้งหมดเนี่ย ลาหัวบาละมันเป็นการทดสอบมันเป็นการทดลองใจะนะเป็นการทดลองใจนั่นเองไม่ได้ทำจริงหรอกใจสู้สักอย่างนึงไปน้องครับพอถึงจริงๆเราพอแล้วมาต้องทำทดลองใจดูนี่เราพอใจอย่างพาใจเลยนะว่าทั้งความลำบากที่มาประสบกับเราเรื่องที่เราไม่ถูกใจทั้งหมดนี่นะเราทดสอบครับ มาพูดถึงเรื่องบาลลาเนี่ยคำว่าบาลาเนี่ยแปลว่าท ด, ท ด, ทดสอบนี่นะนบีมุฮัมมัดสั่งอย่างนี้เลยนะนี่สั่งอุ ม, มานาบีทุกคนนะที่เป็นมุสลิมนะนบีบอกว่าลาย่า zoomul บัลบาลนาบีไม่เคยดูถูกหรือว่าดูแคลนตำหนิเรื่องบาละทั้งหมดที่ถู ก, กับนบีนะโลวักวัดเยอะใช่ไหมนบีมอง การฟิตนาบาลาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวนบีและเกิดขึ้นกับบรรดามุสลิมทั้งโลกนี่นะนบีสั่งนะอย่าดูแคลนอย่าดูถูกอย่ามองเป็นเรื่องเลวมองเป็นมุนหะมันค่ะมุนหะเป็นของขวัญเป็นรางวัลสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺดูนบีนบีถูกถูกอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนบีถูกไล่ออกจากนครมักกะใช่ไหม นบีมองเป็นเรื่องไม่ไม่ก็เครียดนะนะพอยิบรีนมาปลอบใจครับอัลฮ์หมดุลีลาแล้วก็สองนบีถูกกักรบริเวณใช่ไหมแล้วก็นบีถูกขว้างไปเมืองตออิฟนี่เราเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนนะนนะอะไรบ้างหนึ่งถูกขว้างด้วยถูกถูกดาก่อนถูกไล่ก่อนแล้วก็ถูกขว้างด้วยหินอลัลลอฮ์แล้วก็เป็นไงนบีกับขออุอาห์ต่ออัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะอภัยโทษให้กกลุ่มพู้ฉันด้วย พระภูเขาไม่เข้าใจอิสลามเขาไม่เขาไมา่ามารู้ว่าฉันเป็นนบีใช่ไหมเนี่ยเมื่อความลําบากที่มาเยือนนบีอย่างนี้เนี่ยนบีไม่เคยมองเป็นเรื่องร้ายเลยแต่มองเป็นรางวัลคนที่ถูกแบบนี้นบีเลยชมคนมุสลิมบอกว่าอายาบลิอัมริลมุสลิมคนมุสลิมนี่แปลกมากคือไม่เหมือนใครในโลกอะคนที่เป็นมุสลิมไม่เหมือนใครในโลกครับ อิจ่าอัล บ, บาฮูเวลาเขาพบกับความลําบากเนี่ยเขาซาบัดเวลาเขาพบกับความดีเนี่ยเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ตัวรงว่าซาบัดเนี่ยมีผลบุญใช่ไหมแต่ต้องซาบัดเพื่ออนะัลลอฮ์นะผลบุญในการอดทนเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ผลบุญในการที่เราได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้สุขภาพแข็งแรงเราสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพนะองก้การเป็นรางวัลเป็นของดีหมดเลย ท่า น, นคนที่เป็นมุสลิมทั่วโลกนะครับอย่างเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับที่ชมรายการนีนะครับเวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยอย่าโวยวายนะ ใ, หให้นึกถึงนบีและนึกถึงนบีอิบราฮิมด้วยทุกคนที่มาในโลกนี้เนี่ยคนดีๆทั้งหลายนี่นะเขาไม่โวยวายกับความลำบากที่อัลลอฮ์ทดสอบยิงอธิบายตรงนี้ชัดเจนอินนฮแท้จริงนั้น ลาหุวันบาละมันเป็นการทดลองมันเป็นการทดสอบมันเป็นการสอบนะผ่านหรือไม่ผ่านอัลมูบีนอันชัดแจ้งอย่างแน่นอนนี่เป็นการทดสอบเป็นการทดลองจากอัลลอฮฺอันแท้จริงอันแน่ชัดเลยครับไม่ได้มาจากญี่ปุ่นฝรั่งเศสอเมริกาไม่ใช่นี่ส่งมาจากอัลลอฮฺตรงๆเลยมังไง อธิณีมันดูบรรดา น, นาบีที่มาในโลกนี้อธิบายนะบรรดา น, นาบีที่มาในโลกนี้ถูกทดสอบหมดแล้วขอยกตัวอย่างสักห้าสักสี่หนาบีพอะนะหนึ่งนบีน บ, นบีนูฮัยละฮิสาะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์อะไรบ้างครับภรรยรับอิสลามหมร้บเลยไหมรับที่รู้ใช่ไหมไม่รับแล้วก็ถามว่าเครียดหรือไม่เครียดนบีเครียด สองลูกรับไหมไม่รับอัลลอฮฺอักวตอัลลอักวตแล้วก็ต้องมันเหน็ดเหนื่อยการสร้างเรือใช่ไหมนี่คือเรทดสอบทางใดนะทางร่างกายทดสอบทางหัวใจแล้วก็ทดสอบภรรยาทดสอบลูกควาบคนรอับดุลนายิสลามนั่นเลาทดสอบแล้วก็ต่อเรืออีกใช่ไหมแล้วก็ปลูกไม้ก่อน ต่อเรืออีกพอขึ้นเรือเสร็จน้ำท่วมทั้งหมดแล้วนี่เป็นบราระหมดเลยนะเป็นบราระเป็นฟิตนะเป็นการทดสอบหัวใจของนบีนวะอะลัยฮิสลามเรื่องที่สองนบียูซุฟเจ้าเหตุกันง่ายง่านี่นะนบียูซุฟนี่ต้องจากประเทศตั้งแต่เล็กๆเนะ่พาไปจากพ่อจากแม่นะกี่ปีรูเ้เปล่าสามสิบปีนะ่ะ ไม่ได้พบหน้าพ่อหน้าแม่กับพี่น้องนะ่ะสิบสามสามสิบกว่าปีอายุสามสิบกว่าแล้วนะ่ะพอได้เป็นอะไรนะเป็นเป็นคิงในวัฒนทริปเดียนะปรนะเทศอียิปต์เนี่ยเราก็แจกอาหารกันนะ่ะถึงได้พบหน้าพ่อแม่แล้วก็ก่อนหน้านั้นติดคุกใช่ไมเจ็ดปีเพราะเรื่องผู้หญิงแล้วก่อนหน้านั้นตอนเด็กๆเนี่ยถูกโยนใส่อะไรใส่บอ พี่น้องอยู่ในบอ่อนะึนกวันไม่รู้นะ่ะแต่มีรายงานบอกว่าตอนอยู่ในบอ่อนบียูซุบนะพูดอย่างนี้อัลลอฮฺออักบัต์ละอิลลฮฺอิลลอัลลอฮอัลลอฮฺออักบัต์ประโยคสองประโยคนี่ออกจากปากนาบียูซุบตอนอยู่ในบอ่อละอัลลอฮฺออักบัต์ละอิลลฮฺอิละลัลลอฮแล้วก็อัลลอ์ให้ปลอดภยัยไม่ให้ตายละอัลลอฮ์ก็เล่านักพอกุรานให้นบีมวฮัมมัดฟังท่ น, นเห็นไม นบียูซุกรูปรอดูน่าร้องไห้นะรูปออรป อ, อถูกนู่นถูกนี้เยอะไปหมดจนกระทั่งมาพบกับพ่อแม่ตอนอายุสามสิบก็นึกถึงใครอ่ะพวกเรามีมาช่ไหมชาตรีเล่าบาฟังว่าหลานหายไปกี่ปี <c oughs> สิปีละห้าปีอะไรก็ก็การทดสอบจากอัลลอฮ์เอาเอามาต่อมามาดูนบีนบีอายุบละลายฮิสซาลามอันนบีอายุบนี่ป่วยกี่ปี ป่วยประมาณเจ็ดแปดปีก่อนหน้าที่จะป่วยนั่นนะครับอลัลลอฮฺให้ทรัพย์สินเยอะมากมีอะไรบ้างอันจากทัพเซตนะมีมีมีสวนมีผลไม้เต็มบ้นหมดเลยไม่ใช่สวนไร่สวนไร่นะเป็นหุบเขาเลยอะแล้วก็ผลไม้เยอะมากดิในวัยอายุนะแล้วก็ต่อมามีอูดเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยแล้วก็มีมา้าแล้วก็มีวัว แล้วก็มีแพมีลาเขาอธิบายเรื่องวัวอย่างเดียวมีห้าร้อยคู่ห้าร้อยคู่เท่าไหรก่ก็มันก็พันมันเลยไปไหมละ่ะแล้วก็มีคนงานมาถึงท่าที่ดูแล ว, วัวอีกอะ่ะแล้วก็มีลูกสิบคนมีลูกสาวเจ็ดคนลูกชายสามคนอยู่ในบ้านแล้วก็มีลมพายุมา ทำลายสวนหมดเลยอ่ะแล้วทําลายต้นมงคนไม้แล้วก็แพะแกะวัวควายที่มีอยู่เนี่ยนะตายหมดเลยอ่ะแล้วก็บ้านของท่านที่ลูกอาศัยอยู่กันสิคนนี่นะบ้านพังลูกตายเองอ่ะท่านอยู่ในมัสยิดนะกําลังสวดอยู่ต่ออัลลอฮ์กำลังอียะติก้าอยู่ในมัสยิดพอรู้ข่าวเนี่ยไม่ได้บ่นสักคำเดีงวแต่เสียใจนะเสียใจแล้วก็ พูดว่าไงนะนี่เป็นกอรอกอดัตของ Allah อนี่กุาราาเล่าให้เราฟังเรื่องของนบีอายุและต่อมาท่านก็ป่วยอีกป่วยตั้งกี่ปีนะเจ็ดแปดปีจนกระทั่งมีบากแรงงานบวบมีอะไรนะมีมีหนอนเนี่ยออกมาจากตัวแล้วก็พ ร, รยานี่ดูแลอยู่คนเดียวนอกนั้นหนีกันหมดเลยลูกก็ตายคนช่วยก็ไม่มีมีคนบอกว่าทำไมไม่ขอดุอาให้ให้หาย น บ, บีอายุบว่าเลาเพิ่งป่วยมาห้าหกปีเองจะขอแล้วรนี่เป็นข้อเตือนใจอย่างดีมากเลยนะแล้วก็มีภรยามอกขอขอเถอะพี่เอ้ขอเถอะกขอ็ขอขอไงอันนี้มาสานียอดดุลว่าอันตะอัลฮมาฮมุรรอฮิมีอันนี้มาสานียอดดุลว่าอันตะอัลฮมาฮมุรรอฮิมีจนได้คุณานะ แท้จริงฉันเนี่ยพบกับความลําบากความเจือร้อนการเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงประทานความเมตตาอันยิ่งใหญ่พออ่านดวงอา บ, บทนี้นะอัลลอฮฺให้ไปอาบน้ําพอถูกน้นะําน่ะหายหมดเลยห้ามดูดิได้ผมอ่านดุอานี้ประจํานะตอนเนี่ยอะไรสมองเนี่ยเลือดในะสมองตีบนี่ยนะพวกดวงอา บ, บทนี้ประจําแล้วอัลลอฮฺให้หาย ดับเบี้ยอายุขอนมาเพราะสุขภาพหายดีลูกได้มาอีกสิบคนเหมือนเดิมแล้วก็แพะแกะอัวควายที่หมดไปอัลลอฮ์ให้กลับมาอีกเหมือนเดิมอายุเกือบร้อยไปเก้าสิบกว่ากว่าแล้วก็ตายฮามดูลิลลาห์นั่นมาทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ต้องการจะเป็นแบบอยา่างนั่นก็เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังต้องการจะอธิบายประโยคที่บอกว่าอินฮาลูอัลเบลาอูลมูบิน อาต่อมา อ, อีกคนหนึ่งนบีอายุปนบีอายุพูดไปแล้วอัลละฮ์พอแล้วแค่นี้พอนะห้ามดุลิละดุ ล, ดลดิละตัรวรบปรการทดสอบแต่อัลลอฮ์มีนั้นไม่มีสรุปมีทุกคนแต่มุมินมองการทดสอบนั้นเป็นบะละแต่คนกาเฟตมองการทดสอบเป็นอดาดับฉะ่ท่านใครก็าตามถ้าต้องการผลและบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องมองบะละต่างๆนั้นเป็นเรื่องดีทั้งหมดอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดี รวมถึงโรคโควิดที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นบีบอกให้มองเป็นราะมะอาคเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งเจนะครับว่ฟะไดนาหูบิฎบว่ฟะไดนาหูบิฎบฮินอามวาฟะไดนาหูบิฎฮินอาลม ฝาได้นะแปว่าเราได้ทดแทนที่เราเรียกฟิติยาฟิติยาเนี่ยสับนี้แหละอในวันวั น, ว, นวันนะวันอีดอัมรอนมาใช่ไหมให้จ่ายฟิดิยาคนที่ถือบวชนไม่ได้สับคํานี้แหละวว่าฝาไดนาะฮูและเราได้ไทยแทนไทยแทนแทนที่จะเชื่อดอิสไมน์ด้วยมีดใช่ไหม เอาเอารา ม, มาแทนครับบีบิบฮินด้วยการเชื้อดพลีอันยิ่งใหญ่คือเชือดแกะและแกะนี่มาจากไหนมาจากสวรรค์ริบฮินแปลว่าการเชื้ อ, อจบัจบจับแปลว่าการเชื้ออาซีมแปลว่ายิ่งใหญ่ในตัสสิตอิบนกุกสิตอธิบายบอกว่ายิบรีเนี่ยนำเอาแพะมาเอาแกะมาจากสวรรค์นะครับอ้วนสวยอ้วนดีมา มาให้นบีอิบราฮีมเชื่อแทนลูกชายชื่ออิสมาอินแล้วก็อัลลอฮ์ก็ชมอัลลอฮ์เาว่วาฟาได้นาฮูบิฎบฮินอาดิมและเราได้ไทยแทนด้วยการเชื่อดเป็นการเสียสละก็เรียกว่าเชื่อดพลีอันยิ่งใหญ่คำว่าอาดีมเนี่ยคำว่าอาดีมเนี่ยทับเสดอธิบายอย่างนี้นะครับ ท่านอิบนะอัมบัสบอกว่าเป็นการเชื่อดมินันจันนะมาจากสวรรค์โอ้เชื่อ ด, ดิมมันมาจากสวรรค์นะครับสัตว์ที่มานั้นมาจากสวรรค์เขาว่าอาดิมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ใหญ่สัตว์โตนะอิบนะอัมบาสญาตินบีเองอธิบายว่างไงนะเป็นการเชื่อดแกะแพะที่มาจากสวรรค์นีเรียกว่าอาดิมอ่าอันที่สอง ท่านฮัสซันบอกว่าแล้วก็เชื่อจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาเป็นเชื่อจริงๆเหตุเกิดขึ้นจริงๆเชื่อกันที่ไหนที่ทุ่งมีนาในนครมักกะอะนะครับแล้วต่อมาครับคำว่าอาซีมเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่เนี่ยบางคนแปลว่าบราร์ก้ามีความจำเรินอนน้ำยิ่งใหญ่หญแล้วก็เก็บไว้เป็นอะไรนะเป็นที่ปฏิบัติของกลุ่มมุสลิมทั่วโลกในวันอีดลอัตฮะใช่ไห โอ้โหก็เชื่อกันทุกคนเลยแล้วก็นบีก็สั่งว่าใครที่มีความสามารถที่จะทํากุฎบานได้แต่ไม่ทําคนคนนั้นอย่ามานมานามาติร่วงกับฉันไป น, นมาที่อื่นแสดงว่ากุฎบานต้องทําทุกปีแต่มีคนโทรศัพท์ามาหาผมเยอะกุฎบานต้องทงํานื่องากกุฎบานกับไกลกับโกลไฟน่เหมือนกัน หลายคนเข้าใจว่าโกนผมไฟกับกกนบานเหมือนกันโกนบานก็กคนผมไฟกับปีละครั้งยิ่งบ้าแนะชีวิตหนึ่งทำครั้งเดียวใช่ไหมตอนอายุอะไรเจ็ดอะไรนะเจ็ดวันโกนผมเชือดแผลชาวบ้านเข้าใจว่ากกนบานก็ทําชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งก็พอแล้วก็ทําพร้อมกับอะไรนะอักเก็ตเลยนี่เขาใช้ผิดหมดเลยนะแต่วันนี้เริ่มาลาเปิดหูเปิดตาก็แล้วนะ อาจจะได้การเชื่อสัตว์ทำกุญบาทต้องทำทุกปีสำหรับคนที่มีความสามารถมีแพะตัวหนึ่งก็พอแล้วถ้ามีวัวไม่มีปัญหาจะทาได้เจ็ดเจ็ดส่วนเอาต่อมาครับท่านมุจาฮิตอธิบายบอกว่า อ, อัรีมุล น, นี่แปลว่าอัลลอฮ์สงตอบรับการปฏิบัติความดีของนบีอิบราฮีมอย่างแน่นอนอัลฮมดลิเลาเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่ง วทรคนะัลละย์ใล่อัลอาครีนวทรคนะัลละย์ใล่อัลอาครีนวทรคนะัลละย์ใล่อัลอาครีนตรงนี้ดีมากครับเรื่องราวของนบีอิบราฮิมที่เชื่อในนบีอิสมาอลนี่ อลัลลอฮุลาบอกว่าวาตาราะกนาะเราได้ละไว้แกอะไราฮิแกพวกเขาได้เก็บเรื่องราวของนบีอิบราฮิมเนี่ยไวให้คนรุ่นหลังได้จำเริญต่อปฏิบัติตามกี่ปีแล้วกัก่อนหน้านาบีอุ ม, ม, มัดใช่ก่อนหน้านาบีอิบราฮิมก่อนหน้านาบีมูซาอีสาโอ้โหกี่ปีมาแล้วเนี่ย อัลลอฮ์บอกว่าเราได้เก็บเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะให้ให้ชนรุ่นหลังได้จดจําและนํำมาไปปฏิบัติและยกย่องด้วยแต่จริงไหมจริงครับพอพระพูดเรื่องกุลบานนึกถึงใครนึกถึงนบีอิบรอฮิมทุกมัสยิดพูดทั่วโลกพูดหมดเลยอัลลอฮฺอัลลอฮเนี่ยยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เล่าว่าฉันได้เก็บเรื่องราวของอิบราฮิม ให้คนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามและยกย่องอัลลอฮ์แลวนำมาไปปฏิบัติแลวจริงไหมจริงครับอาคิรีนะอาคีสเนี่ยแปลว่าคนรุ่นหลังคนที่มาที่หลังเาเรียกว่าอาคิสเราเนี่ยเป็นคนรุ่นรุ่นสุดท้ายรุ่นหลังนะยุคมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนสุดท้ายมาหลังสุดนบีอาดัมนะมาก่อนสุด นบีอิบราฮิมเนี่ยมาก่อนสุดแต่เราในยุคมุฮัมมัดเนี่ยมาหลังสุดแต่เวลาทุกคนต้องตายหมดนะแต่เวลาฟื้นอะใครฟื้นก่อนอะใครฟื้นก่อนยุคมูฮรับนี่ฟื้นก่อนยุคมุฮัมมัดนี่ฟื้นก่อนยุคที่ตายไปก่อนจะไม่ได้ฟื้นนะยุคมุฮัมมัดฟื้นก่อนอัลลอฮ์อักวาสนี่อัลลอฮ์ให้เกียรติยุคของนบีมุฮัมมัดยิ่งใหญ่แล้วเกิดแล้วก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละและเป็นเรื่องจริงด้วยนะ มันจะตายแล้วตายเลยนะไม่ใช่นะ่ะร อ, าอตายแล้วต้องฟื้นตายเท่าไร่ก็ฟื้นเท่านั้นแหละนะครับแล้วคนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นก็ต้องฟื้นนะ่ะวันนั้นจะเสียใจยจะร้องไห้กันเต็มเลยเราจะขอมีสักสามครั้งได้ไหมอย่ากให้พต่ตุลลธรรมดีเลยทีนี้เอาอะไรเสริมนิดหนะึ่งพี่ตุลลเอาอย่างงี้นะ เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะอยู่ยังไงนะให้มันมีเกียรติมีหน้ามีตาให้อลลอฮฺได้พอใจตัวเราเนี่ยแล้วสามารถที่เรากลัวนะกลัวริสกีใช่หรือไม่ใช่กลัวริส ก, ก, กีน้อยใช่ไหมทุกคนนะักกลัวกันหมดนะถ้ากลัวริสกีน้อยเนี่ยให้ปฏิบัติสี่ข้อพากลิสกีไปอย่างนี้ริสกีเราต้องสแสวงหาก่อนนะถึงจะได้ บางอย่างนะออลบอกว่าเองทําตัวให้ดีสิฉันก็จะส่งรีสกีให้คุณอย่างคนกาเฟสเนี่ยมกินเหล้ากินยาเข้าบาร์ในคาบออลกระเตื้อในโรคโควิดนี่ใช่ไหมเขาบงเข้ า, ขาบอนใช่ไหมมันก็หาเงนินหาทองในทางที่ฮารอมหมดเลยใช่ไหมล่ะแต่มุมินเนี่ยออลสอนสองอย่างน ะ, สะแสวงหารีสกี้ในทางที่ฮาลัลสองรีสกีบ้บางอย่างเนี่ยอลัลลผสงให้เลย อยาอุลมามมาอธิบายต่อนบีมอธิบายต่อนะว่าถ้าต้องการให้ริสกีมาหาเราบ่อยๆให้ทำสี่ข้อสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะข้อที่หนึง่งให้ลุกขึ้นนมาตะหัดยุทธน้ำมาไปเถอะไปต้องเพาไม่เคยน้ำมามานานเล้อย่างนั้นและให้ลุกขึ้นนมาตะหัดยุทธสม่ําเสมอทุกคืนทําได้ไม่ได้อัลลอฮฺอักบะฮแล้วก็ตอนไหนดีตะหัดยุทธตอนไหนดีที่สุด ความจริงนบีอธิบายบอกว่าตั้งแต่หลังนมาฎอิชาเริ่มนมาฎได้แล้วจนกว่าเสียงอาลาสุโบจะมาะแต่ส่วนใหญ่นบีบอกว่าขึ้นตอนตีสามอันดีที่สุดนะตีสามครึ่งโอ้ยทมดูเล้วผมนี่ตื่นตีสามสี่สิบห้านะอาบน้ำนำมาฎแปลงฟันก็ตีสามตีสี่สิบห้า 3, 4, นาที ได้นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยปฏิบัติเป็นประจำเาลาทำโดยแล้วสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องเรียบนอนแต่ว่าขัํานะเรื่องที่สองกัสะระตุลอิสตึกฟาดบิลอาชารแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะๆตอนตอนเนี้ยตอนกลางคืนนั่นแหละตอนนมาศเนี่ยไม่มใช่เร่งเรียบจะให้จบแปลลงอัลเบตเตสสามผับผับไม่ใช่พี่น้องนมาช้าๆแล้วก็ ขอดูอาไปด้วยตอนซูยูหรือตอนนั่งอัตไหยาขอดธิษต่ออร่อยเยอะๆตวลว่าน้ำมาเนี่มันคู่กับการขออภัยโทษต่ออรนะ์หรือว่านมาเสร็จแล้วจบแล้วก็นั่งอัสตัฟรุลลออัสตัฟรุลลออัสตัฟรุลลออัสตัฟรุลลอชันขออภัยโทษต่ออร์พูดเยอะๆแปดสิบร้อยหึงสองร้อยสมรอก็ได้แบบนี้เป็นตัวหรือไม่ก็อ่านคุรานอ่ะ อ่านกูณอ่านดีที่สุดไปน้องอ่านกูณอ่านด้วยอิสติกฟาดด้วยนะครับต่อมาครับทำสตอกโกทุกวันสตอกโกไปน้องบริจาคนี่การเดินเข้าสู่เราก็อนเนี่ยตอนตอนออกก็อตั้งหยอดไปสักร้อยสองร้อยสามร้อยไปน้องแล้วก็ให้ญาติไปน้องคนยากคนจนเด็กนักเรียนยากจนมีไม่มีแล้วบริจาคไว้ไปน้องข้อที่สามนะข้อที่สี่ อันนี้สาคัญมากครับข้อที่สี่นี่ไงที่ผมอ่านตอนกี้เนี่ยอักอาอักประมาณ19บทตอนเช้าขับตอนเย็นอัลลุมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมนาวะบิกะนฮยาวะบิกะนมูตุลัยกชูเ่ตอนเช้านะพอตอนเย็นก็ว่าอีกอัลลุมะบิกะ อัมไซนาะวบิกอัส บ, นะบะนา وت, วบิากานามุตวอิไลกานุชุแล้วมีดุอาอีกระมาณสิบเกาบทคือท่านก็ต้องไปหาเอาเองเลนะเนี่ยถ้าทำสี่ข้อนี้นะริสกีจากชันฟ้าจะหลบบางทีก็มาจากแผ่นดินขึ้นม ม, มีมีอยู่สองแหล่งนะริสกนะีแหล่งชันฟ้าแหล่งจากใต้ดินเราไม่รู้อัลลอ์จะให้อะไรเราแต่เราปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งผูนบีานนาบ ปฏิบัติอย่างนี้ซอบาลนบีปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีใครลุกขึ้นนมาตาฮุดยุตในสมัยน บ, บีลุกขึ้นกังหมดในยุคปัจจุบันนี้ก็อุลมามะทั้งโลกเขานมาตาฮุดยุตกันหมดน่ะแต่พอยู่อินเดียมาถานรู้สิมนาบุลาลาซานน้ำหมาไม่เคยขาดนะ่ะฮอลล์ว่ากันว่าน่ะห้องอยู่ใกล้ๆ ก, กันผมรู้สิเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะอาเลมอุลมามะในหมาเวลาเขาหน้ามากันหมดน่ะเด็กนักเรียน แอฟริกาน้มานไทยนมานมาเลเซียน er <the> <anymore ales> <crying> ้ำมานน้ำมานกันหมดน่ะมันเขาปลูกกันน่ะเฮ้ยอะไรอะไะไรเพะว่าอักขระแล้วก็ติดแล้วก็ติดนิสัยมามาอยู่เมืองไทยเราก็ยังน้ำมานกันอยู่กัลยฮัมเพลงเลยแหละคือเลือกเรียนในสถาบันที่เขาเขาปลูกคนน้ามันไปน้องหายาเหมือนกันน่ะแต่แค่นี้พอตกลงว่าถ้าต้องการรีสกีของอัลลอฮฺ อัลลอฮ์จะส่งให้นะมาจากชั้นฟ้าหรือมาจากแผ่นดินมีอยู่สี่ทางหนึ่งให้ลุกขึ้นนะมาต่ฮัจยุสสองให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ข้อที่สามให้บริจาคสม่ําเสมอนี่การสอนหนังสือเป็นการบริจาคคุ้มนึกนะเป็การบริจาคน่ะนี่เรามีความรู้จากนี้ไปกลับมาทิงบ้านไปสอนต่อนี่เป็นการบริจาคน่ะบริจาคความรู้อ่าบางคนมีเงินก็บริจาคความรู้ด้วยเงินได้ดีหรือไม่ดี อิหมามอบูฮานิฟานะ่ะทำสองอย่างนะสอนคนด้วยและบริจาคทรัพย์ด้วยอ่ะอ้ ว, ว่าเอาอาเรมอุลมามะในโลกนี้มาอธิบาติเรื่องเยอะทำดนิลเลยเอาตกลงว่าพิสกีจะให้อารองให้เราเนะี่ยมีอยู่สองทางนะชั้นฟ้ากับแผ่นดินต้องทำตัวยังไงนี่ไงทำตัวสี่ข้อเนียสม่าเสมอทำทุกวันด้วยนะครับ อัตมคกับวาตาร์ขนาอัลัยฮิฟิลอาครินละเราได้ละกิติคุณไว้แก่เขาในชนรุ่นหลังได้จดจำและยกย่องและนำเอาไปปฏิบัติอัลฮัมดุลิเลาะตอมาอายาที่หนึ่ง้าครับ สล ا م ุนอาลาอิบรอฮิมอัลลอฮุอัยฮิรสลามุนอาลาอิบรอฮมสลามแปลว่วาอะไรขอความสันติอัสาลามอัลเลกุมน่ะขอความสันติคำว่าสาลามเนี่ยเป็นภาษาที่อัลลอฮ์พูดกับคนชาวสวรรค์ มีเสียงสาลาหูดีใจหมดเลยในสวรรค์เน่แต่นี้ก่อนเข้าสวรรค์ทำไงจะให้อัลลอฮ์ได้สาลามประทานความสันติอาลาแปลว่าแดรือบนอิบราฮีมกันนบนบีอิบราฮีมขอความสันติจงประสบแด่อิบราฮีมซึ่งเป็นนบีของอัลลอ์ได้มายังไง อ, อยู่ดีๆอัลลอ์ก็เล่าว่า ความสันติจะประสบกับนบีอิบราฮีมได้มายังไงไมันจะได้มาง่ายๆหรอครับต้องขอดูอาถึงจะได้เตะถ้าฉันไม่ขอนบีอิบราฮีมนี่ขอดูอานยะขอดูอา4สข้ออลัลลอฮ์ให้ทั้งสี่ข้อเลยครับ ข้อที่เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งนี่นะซาลามูนาลาอิบรอฮีมขอได้อะไรนั้นแต่ประทานความสันติให้กับอิบรอฮีมนะบิขอก่อนนะและอัลลอฮ์ก็เล่าว่าฉันให้คุณแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอายะห์ที่หนึ่งร้อยเก้านี่ยนะอัลลอฮ์ให้ใครกล่วาวสุลวะกล่าวเนี่ยกล่าวสรรเส ร, ริญกล่าวยกย่องอิบรอฮิมเนี่ยให้มล า, ายิกะบนชั้นฟ้าทั้งหมด ชมนบีอิบรฮมแล้วก็ให้มุมนุษย์พวกเราวันนี้ที่อยูบ่บนโลกใบนี้ชมนบีอิบราฮิมในนมามะใช่ไหมนามะอะไรในนาของดาน้อนอัตยาเนี่นอยอัลลฮุมะิอลอมุ a m a d วะลาอลมุ a m m กามอลลอลาอิบราฮิวะลาอัลอิบรฮมมคนที่นมามะทุกคนกล่าวนบีอิบราฮมกับมูฮัมมัดทุก วันเลยวละหครามงกินอสิท่านมาสุ น, นัตอื่เท่าไร่เราหลอกว่ า, ว า, วานี่เรารับร้บายยังรับแล้วแต่ก่อนจะรับนบีขอก่อนนะเอา้าเรื่องที่สองนบีอิบรอฮีมขออาว่าอย่างนี้นี่เรื่องที่หนึ่งนะขอว่าซาลาเหมือนให้คนได้ได้อะไรนะได้ซาลาวะถึงฉันเยอะๆเาลาให้ยังให้เรื่องที่สองครับพี่น้องนบีขอว่า ว่ายางนี้ว่าจอ๋ลิานศดกนว่าจอนลิานศดกนฟิลอาคีรินข้อที่สองโปรดทำให้ฉันมีกิติคุณมีคนได้พูดชมโชยสรรเสริญยกย่องท่ามกลางชนรุ่นหลังต่อต่อมาอย่างพวกเราวันนี้แล้วพวกเรานี่เราก็ชมนบี บ, บรูฮีมใช่เลยไม่ใช่ชมนงน้ำมานแล้วยไม่พอ ปลาบรรยายีกพูดอีกไม่มีใครดารค่ามีอิียงพระมสซคนนเห็น ไ, ไหมก่อนที่จะด่าก่อนที่จะได้มาต้องต้องไต้องขอก่อนขอว่าไงว่ายอัลลีลีซานาซิตรินฟิลอาคิรินโอโัอลลอฮ์โปรดทำให้ฉันนี่ชื่อเสียงฉันนี่นะคนรุ่นหลังได้พูดชมในทางที่ดีอลัลลอฮ์รับไหมรับผมก็เริ่มขอแล้วนะ มาบทนี่เพรเรากลัวนะเราตายไปแล้วคนด่าตามหลังนี่มากทั <laughs> างนั้นต้องขอหุวอาจาเอาไว้นี่ยนาะบทนี้แหละวาจาลีลิซานาซิโตตินฟิลอาคิรีเนี่ยไปต้องขอเลยวันหนึ่งสิบครั้งยี่สิบครั้งขอทุกวันทุกวันจนกว่าจะตายเอารูปแบบนบีอิบราฮี ม, มาใช้ได้ไั้ยได้เอาต่อเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่สาม ว่จอ๋อนีมิววารรสาทิว่จอ๋อนีมิววารรสาทิจนนตินนะไอเรื่องที่สามนี่ขอให้ฉันเป็นผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันรื่นรมขอให้ฉันได้อยู่ในสวนสวรรค์รับยังอลลรอรับแล้วครับตอนนี้ยังเหมือนกับอะไรนะวิญญาณอยู่ในสวรรค์อยู่แล้ววิญญาณอยู่ในนก แล้วก็บินอยู่ในสวนในสวนสวรรค์พอวันเกียงมานะครับก็จะออกมานี่เป็นร่างอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนเดิมข้อที่หนึ่งขอให้อะไรนะให้มีคนชมเชยข้อที่สองขอให้มีคนพู้จาในทางที่ดีๆให้คนรุ่นหลังนะข้อที่สขอให้อยู่ในสวนสวรรค์ข้อที่สขอรับบิฮับลีมีนัสรอเลห์ขอให้ลูกเป็นลูกที่ ซอยเลยเรารับรับแล้วเอาลูกนบีอิบรอฮิมมีใครบ้างอิสมาอินเป็นนบีเปล่าอิสฮากเป็นนบีเปล่านี่ไงนงคะครับนี่ความรู้ได้เราเต็มเลย เ, ย เ, าเราต้องการแบบนบีอิบราฮิมไหมแน่นอนครับทุกคนอยากได้แบบนบีอิบรอฮิมหมดเลยหนึ่งไม่มีคนดาน่ารับหลังอย่าให้คนพูดอย่างงี้ คนนี้ตายเออดีเว้ยมา ต, ตายตายไปเฮ้ยภาษานี่อย่าให้มีพอคนนี้ตายอัลลอฮฺอินนาลิาลละอย่อาอมันอยู่ที่ความาไม่เต่มศัสอนคนอะไรคนอบรมคนเตือนคนอย่าให้ดา่าหลากหลายเบื้งตานะก็ดีกุยแต่มอกอยู่ในซอยมองดา่ดาแล้วดา่ดาดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะจากนั้นทํายังไงให้คนยกโย่งเราสรรเสริญเราชกเชยยกย่อ ง, องล่ะ ต้องทำสี่ข้อเลยนะคิดว่ามันตะกี้นั่นเนึ่งรุขขึ้นนมาแต่ฮัจุดอยากต้องลอกกับคนเยอะให้อภัยกับโกลใช่ไอย่างงี้เป็นต้นโอตรงวดุอาของนบีมหิมอัลลอขอสี่ข้อเนี่ยรับหมดเลยมรับหมดเลยอิเรื่องนี้อยู่ในสุรัชชะอัอฮฺผ่านมาแล้วนะอยู่ในสุรัชชะอัอฮฺอชอลอฮฺอายะที่สอายะที่ดปดบสี่ไปเช็คดูนะครับ ตัวแล้วว่าอะวิบลฮิมขอสี่เรื่องนะสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งขอให้ฉันเนี่ยให้คนได้ซาลาวะถึงฉันเรื่องที่สองให้คนรุ่นหลังเนี่ยพูดฉันพูดถึงฉันในทางที่ดีเรื่องที่สให้ฉันอยู่ในสวนสวรรค์เรื่องที่สี่ขอให้ฉันมีลูกที่ซอและจากอัลอลอฮฺอัลลอฮฺให้หมดเลยสี่สี่รายกาแล้วก็เอาประวัต ดูอาขอนี่อิบราฮิมเนี่ยไปใช้ด้วยอ่าหิตเป็นต้นนะครับอามาดูนบีมูซานิดหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายอายา น, นี้サラมุนฮาเลอิบราฮิมนบีมูซานี่ขอมาหลายเรื่องอลัลลอ์รับหมดเลยเช่นขอว่าไงนะเปิดใจฉันมาทำงานศาสนาเพราะว่าไปสอนฟารโฟรนี่หนักเลยไม่หนัก ฟารโร่ในตัวแสบเลยนะหนักมากครับืมจะสำเร็จไหมสำเร็จขอให้กิจการงานของฉันเป็นที่ง่ายดายรบบิชลอรีโซนารีีนข้อที่หนึ่งวยัสิลลีอารีขอให้กิจการฉันในการเผยแพร่พอิสลามให้บันีอิสลโอลีให้ฟารโรเนี่ยแบบง่ายดายอัลลอ์รับหมดเลยวะดุลอุกดาตามิลลิซานีแล้วก็ ขอให้ฉันเนี่พูดจาคล่องแคล่วพอน บ, บีมูซาเนี่ยพูดจาติดอ่างผมเนี่ยติดอ่างแบบน บ, บีมูซ่าผมขออนกญาตจําเลยนะขอให้พูดจาคล่องแคล่วข้อที่สียัฟคอหูเกาลีให้ผู้คนได้ฟังแล้วเข้าใจง่ายง่ายอัลลอฮ์ข้อที่ห้าวะชะอันลีวาซีรอมมินอาลีแล้วก็ทําโปรดทําให้ พี่ชายของฉันในชื่อฮารูนนี่นะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันในการด่าวะอิสลามอาลัลลอฮ์รับหมดเลยนะครับเนี่ยนบีอินบีอะ น, บ, นบีมูซาขอนบีอิบรอฮิมขออลัลลอฮ์รับมูซาอาลัลลอฮ์ก็รับแล้วตัวเราล่ะเราก็ต้องขอเหมือนกันนะแต่สังเกตดูสิถ้าอาลัลลอฮ์รับกรูเราก็จะมารยาดีขึ้นภรรยา ก, ก็าความกลัวดีขึ้นแต่บาระมีไหมบาละมันมี อย่าลืมนะบารามันมีคุณนี่อยู่ในศาสนานี่อย่าคิดว่าจะไม่มีบารานะมีครับแต่มีทำไงต้องอดทนแล้วก็อย่าโวยวายแล้วขอดูอ้าวต่ออัลลอฮ์ตลอดไปนะครับเอาต่อมาครับกะดะลิกะนจซิลมุฮซินินกะดะลิกะนจซิลมุฮซินิน กาลาเลกานาญะซิลมูฮซินินอัลลอฮ์ Allah, นี่ปลอบใจพวกเราปลอบใจนบีด้วยในทำนองเดียวกันอัลลอฮฺอักบารในทำนองนี้แหละนัจซิเราตอบแทนเราจะตอบแทนอัลมูฮซินีนคนที่ทำความดีแบบนบีอิบรอฮีม แบบนบีมูซาแบบนบีมุ h ั m m a ใครทํทำตัวแบบแบบแบบเรียนแบบนบีนบีนบีทั้งหลายที่มาในโลกนี้หนึ่งอดทนมีบะละมาอย่าโวยวายทำงานศาสนาลุกขึ้นนมาต่หัจยุดอ่านกุรรอ่านสม่ัาเสมอบริจาคขออภัยโทษต่ออัลลอ์เขาด่ามาใครด่ามาให้อภัยไม่เอาโทษยิ้มยิ้มตอนเราทำตัวดีๆแบบนี้เนี่ยจะมีรางวัลไหม อ้ายานีสอนครับกซาลิกานาจิลมซินในทานองเดียวกันนี่แหละใครก็ตามทั่วโลกถ้าปฏิบัติตัวเหมือนนบีอิบรอฮีมเราก็จะตอบแทนรางวัลให้กับเขาอย่างแน่นอนอย่าลืมต้องขอดูอาด้วยนะแล้วก็ทำด้วยนะอย่าตบเมียนะอย่าทะเลาะกับเมีย เอาเอาชีว ma, ิตนบีเหมือนนบีมาไม่เคยทะเลาะกับภรรยาใช่หรือไม่ใช่ภรรยากันหลายคนไม่ทะเลาะกับลูกนบีไม่เคยทะเลาะกับสราบาษนบีไม่เคยทะเลาะเลยครับแต่คนกาเฟตญาตินบีเนี่ยทะเลาะกับนบีด่านบีนบีโต้ตอบไหมนบีไม่เคยโต้ตอบเลยไปน้องเอามาดูคนที่เอาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลนี่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเป็นเป็นแบบนี่นะอย่างฟาโร่เนี่ย ปฏิเสธนบีมูซาอะไรที่สลาเอัล้อให้อะไรมาแทนให้ตำแหน่งงเอาไปเลยลรอดไหมล่ะถามรอดเลยไม่รอดไม่รอดเห็นยังใครเธอไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอีมานไม่เอานาบีเป็นแบบนะครับเอาล้อให้รอดบนดุนยามุดทุกคนเลยเอาเอาตำแหน่งไป ตำแหน่งเนี่ยผู้ปกครองโลกประเทศเป็นใคโลกของประเทศวะหล่ไปรอดไหมผลสุดท้ายจมน้ำตายเห็นยังครับแล้วตอนจะตายวะ่ะอ้ามัน่นตัฉันเชื่อแล้วว่อาอัลลอฮ์มีอลัลลอฮลลอฮ์รับหรือไม่รับอ้าไม่รับเอามาดูคนที่สองกอรูณไม่เอาอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่เอาอบีมูซาใช่ไหมอลัลลอฮ์ให้อะไรมาแทนเอาเงินมาแทน คนที่มีเงินเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันรอดใช่ไหม อ, อยู่บนดุนยานี่รอดหรือไม่รอด อ, อ๋อไปไหนมาไหนคนให้เกียรตหมดล่มีรถคันดีๆนั่งถึองบินส่วนตัวน่ะเขาก็ทำอยู่ในโลกนี้ทักษณิณก็ทำอยู่นี่ใครก็ทำันในโลกแล้ว้วถามว่าบ้านปลายชีวิตก่อนตายรอดหรือไม่รอดอมาดูอัลลอฮ์เล่าในคัรกุรอานบอกว่าว่าฟาคอซัฟนา เราได้ให้แผ่นดินสูบสูบครสูบกอรูลงไปในดินม า, าดารีพร้อมกับค า, ารุหัดของกายวะบ้านคาารหัดแล้วก็ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดลงไปในดินหมดเลยทั้งรอดยไม่รอดไม่รอดไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาอิมานไม่เอาอัคลั ก, ลกนบีมาใช้พี่น้องถ้าทิ้นหมดอัลลอฮ์ก็ให้อยู่รอดบนดุงยาเอาเอ า, เอาเงินไป เาไปกี่วันจนกว่าจะตายจบไหมจบครับเอามาดูอีกคนหนึ่งนะครับอบูอับูญะฮลอบูละฮับอบูละฮับนี่ถือตระกูลเป็นใหญ่เอาให้ตระกูลไปเลยใหญ่มากทุกคนให้เกียรติยกย่องหมดแล้วก็แอนตี้มูฮัมหมดัดใช่ไหมแอนตี้อลัลลอ์ด้วยนะครับอลัลลอฮ์ว่าไงนะ ตัปปะจียาดาอาบิลาฮาบิวะตัปปะเป็นไงตัปบะตะวะพินาศยาดามสองมือของอบูละฮับพินาศแล้วรับประทานกูเอาลงมามมาเล่าให้พวกเราฟังเองอย่าหลงอำนาจพวกเยอะฉันไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาละซูลจะเอาพวกจะเอาตําแหน่งฉันเอาเงินฉันเอาอะไรตระกูลตระกูลอยู่เป็นสุขโหพวกเยอะเลย คุ้ยได้ที่หนล่ตระกูลนะพี่น้องนี่นะเตือนนะเตือนเรารี่ว่าอย่าหลงอำนาจอย่าหลงเงินอย่าหลงตระกูลอย่าหลงนุ่นหลงนี่พิษทั้งหมดเอาอะไรนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าอัลลอฮฺอักบาร์เอามาดูคนเอาอิสลามนำหน้าเนี่ยเอาคนสมัยนบีจนๆก่อนแล้วกันใส่นาบิลนมีเครหารเปล่ามีรถกี่คันไม่มี มีหลังมีอะไรนะมีเพิงใช่ไหมอาลุโซโฟฟ้ามีเพิงเล็กๆนบีต่อแบบนี้พี่เพื่อบอกไปอยู่กันเจ็ดแปดคนในนั่นมีสนาบิลาด้วยแล้วก็สิ่งที่ท่านได้รับจากนาบีคือเสียงอาดานกับอาบน้ำน้ำมาดอยู่เป็นประจำสมรายการเนี่ยอาบน้ำน้ำมาดกับอะไรอาดานได้ไปสวรรค์ แล้วฟาโรมีทุกอย่างบนดุนยาบปนี้ทหารก็มีส5ม0มห้าพันคนดูแลครอบครัวฟาโร่รอดไมอ่ะนั้นอยู่บนดุนยาเนี่ยหลงอะไรกันแน่ถ้าเราหลงผิดบนดุนยานี่ก็เรียกว่าบอลีนหะลงนะแต่อลัลลอ์ให้อร่อยบนดุนยาโลกเดียวนะแต่อยู่สองโลกผ่านได้ไ่มพานไม่ผ่า น, านเนี่ยอิสลามเปิดหูเปิดตา นั้นใครน่ชื่ออะไรน่ะที่ทำลายอิสลามอยู่วันเนี้ยอ ะ, อ, ะอะไรเพชรเพชอะไรอะไรนะไม่อยากเ อ, อ่ยชื่ออิสลามก่อความวุ่นวายบนลงบุญญาไปนี้ใช่ไหมห้างสรรพสมุมัสยิดเออเห็นวันหนึ่งอะเอาต่อมาครับโอ้ต้รงว่าคนที่จะ เป็นคนดีนี่นะอย่าเรียนแบบฟาโร่จะเป็นคนดีอย่าเรียนแบบกอรูเป็นคนดีอย่าเรียนแบบอบูละฮับเป็นคนดีอย่าเรียนแบบใครตะใครอีหลายคนในโลกใบนี้นะครับแต่แค่นี้พอนะครับให้เรียนแบบใครเป็นแบบเรียนแบบไยนาเบลลเรียนแบบใครนบีมุฮัมมัดสุฮาบะฮนบีทุกคนเรียนแบบได้หมดเลยครับเงินก็ไม่มีเยอะอะไรเป็นรองเลยแต่จะไปสวรรค์กันหมดทุกคน Allahu akbar. Ollah hilham นะครับเอามาขอยกคุรานนิดนึงนะครับว um ่านบีเนี่ยชมชมสซนาชมท่านท่านอาบูบากัดก่อนกุรานชมนะครับว่ายุจันนบูฮอัตกาอัลลอฮยุติมาละหูยะตาซักกาด้ชมท่านอบูบักเนี่เป็นคนที่ อัลลอฮ์ให้อยู่ในสวนสวรรค์เพราะเขาเป็นคนที่บริจาคทรัพย์สินของเขาอัลลอ์อัลกุบัด์เห็นยังคนที่บริจาคเงินเพื่ออัลลอฮ์นะท่านอบูบักได้บริจาคหมดเลยทั้งตัวเลยเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาบรญยาตกันมาฟังใส่หูบอกว่านาบีถามว่าบริจาคเงินมาทั้งหมดนี่เหลืออะไรท่านตอบว่าไงนะเหลืออัลลอ์กับรอซูล นีนน่นอัลลอฮ์สังพุทอมานอัลลาดิยุตีมาละูยะตาซักกะทา่านบริจาคอายาเนียมช้าได้ทุกทุกท ก, ท ก, ทกรณีนี่แหละแต่ยกตัวอย่างท่านอบูบักบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อซักฟอกตัวเขาให้สะอาดซักฟอกทรัพย์สินขเขาให้สะอาดได้ไปสวรรค์เห็นไหครับอมาดูไยนาอุมัดท่านนบีโชมาไงหรือไหมรอไอตัวกอสรอนอับยาบฟิลจันนะนบีขึ้นเมรอด ยิบรีนพาไปเข้าในสวรรค์ไปเห็นอาคารหลังหนึ่งเนี่ยสีขาวสวยน บ, บีถามว่าปราสาทนี้ของใครมีเสียงตอบบอกว่าเป็นของสัยนาอุมัตเรดีขอานในสวรรค์่ันมาก่อ น, นยกับนักเลงใหญ่ใช่ไแล้วต่อมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดเลยอะ่ะเราเป็นคนดีอะ่ะพี่น้องอเป็นัไงอลรถน บ, บีว่าฉันเห็น เราประสาทของเขาแล้วนั่นก็คือสวรรค์ก็ น, นามุมาเมาดูท่านท่านท่านอะไรท่านผูฟฟ้ใจฟ้าพระเจ้าใว่าฮัมซลล่าชาวบ้านอับีนคนหนึ่งพี่น้องจาได้ใช่หมฮัมซอลลเนี่ยทาสงครามออกทาสงครามกับท่านนาบับีแล้วก็ไปตายพอตายเสร็จแล้วนับีลาเห็นมาลายกาเนี่ยลงมาอาบน้าศพฮัมซอละ ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินมาบมีมองอท่านฮันโซล่าตายาเฉยแต่มีมันไลกข้ามาอาบน้ำให้คนเดียวนะ่ะจะเห็นนะ่ะแล้วก็พอสงครามจบก็ส่งซาฮาบะไปที่ครอบครัวของท่านฮันโซล่ไปถามว่าชีวิตอยู่บ้านเป็นยังไงพยาเล่าว่าแต่งงานประสานคืนแรกนันมือ่ะ พอร่วมหลับนอนเสร็จแล้วเนี่ยนบีประกาศสองครามออกเลยยังไม่ทันอาบน้ำยานาบะเห็นอย่างครับเรามาเสียชีวิตในสนามรบนบีเลยเห็นท่านฮังโซลาเนี่ยมาลายกาลงมาอาบน้ำเรียกว่ารอซลาดคูมาลาเิกะทุรห์มาอ่านมาลายกาลงมาอัลลอมาอาบน้ำยานาบ้าให้ อย่างนี้เปี่เราเห็นอย่างครับควรที่หัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่จริงเลยเอาต่อมาครับอยายะที่111อิบนนหูมินไอบาดินัลโมมินีนอายะสุดท้ายนะครับอินนหูมินไอบาดินัลโมมินีน อินหูมินไอบาดินัลโมมินิแท้จริงเขานาบีอิบราฮีมเนี่ยมินไอบาดินาเป็นอยู่ในเบานะครับเป็นปวงเบาวของเราที่เป็นผู้ศรัท ธ, ธาตอา่ออัลลอฮ์มีสองสิตเป็นเบาวของเราด้วยและเป็นผู้ศรัท ธ, ธาตอา่ออัลลอะ์ด้วยนี่ยกย่องพรนเราถ้าทาตัวแบบนบีอิบราฮีมนะใช่ไนมะ อัลลอฮ์จำจะไม่ย่องย่องอ่ะยกององ um, ชมเชยอยู่แล้วทำตัวไปทันทันทันกอละได้ไหม <Bam and ei> ตอนนี้สงครามมันก็มีอย่านะอยู่ในไนรักมีในซีเรียมีใช่ไหมล่ะแต่คนที่ออกสงครามจริ ง, รงๆน่ะมันก็จำสะอาดจริงๆบริสุทธิ์จริงๆก็ต้อว่าการเรียนแบบคนดีเนี่ยโอกาสไปสวรรค์สูงไหมสูงครับเนี่อัลลอฮ์ชมนายดีอิบราฮิมบอกว่าเป็นคนที่เสียสละในหุณทางของอัลลอฮ์ อัลล์ชมบอกว่าอินน้าฮูแท้จริงนบีอิบราฮีมนั้นมิในอิบาดินนลมุบินิมอยู่ในพวงเบาวพูดสัทธาของเราอัลฮัมดุลิลาอัลลอฮฺอักบรีนองคบนี่เป็นความรู้นะครับทั้งหมดอัน น, นี้ก่อนจะจบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่แบบไหนกุปรานสั่งนะครับเป็นเบาวที่ดีต้องการจะเป็นเบาวที่ดีของข้อรอนะห้ามตกหน้าภรรยาห้ามทะลอะกับภรรยานะ แต่ต้องมอบเงินในภรรยาชายมีรางวันตอบแทนจากอาลัลลอฮฺผลละบุญเยอะมากกับนบีสัง่งกุรอาลสั่งอย่างนี้ว่าอัลิรูฮุ น, นบิลมารูหท่านต่างหลายจงอยู่ร่วมกับนางนําแต่ของดีๆมาปฏิบัติอย่านําเอารมณ์มาใชา้อายะห์ที่สองว่จาจะอลาบัยนักุมมาวัดดาต่างวรรณะแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยอลัลลอฮฺจะให้ความรักและความเมตตาเกิดขึ้นเห็นไหม ความรักและความเมตตาสงสารจะเกิดขึ้นแต่ต้องแต่งเพื่เอเราเน่ยครับแล้วก็บ้านบ้านครอบครัวเราเนี่จะต้องมีมียุสีข้อหนึ่ต้องให้อภัยสูงนบะีสอนไงน้อยอาหุอัอนฮาคุณละยะมินสมัยเนะาร์ร็ให้อภัยภรรยาวัละเจ็สิบครั้งแล้วก็มีสนิทสนมกันแล้วก็มันต้องมีความรักอยู่ในบ้านอย่ามีความเกลียดชังอิจฉาทิษยาไม่มีในบ้าน ต้ให้อภัยแล้วก็เมตตาสงสารช่วยเหลือกันดูแลกันอดทนเรื่องสูงที่สุดแล้วก็ต้องมอบรางวัลเงินให้ทองให้กันช่วยเหลือกันด้านการเงินหาเงินไม่มีกับูจาดีๆไม่ใช่เงินมีแล้วูจาไม่ดีไม่ใช่นะพูจาดีๆ ด, ด้วยแล้วก็บอบเงินว่าทองขั้ควรดีไมอ่านดลอําบดเวลาครับสุภานะก็ลาฮม่าวบิฮัมดิกะอัชดลละอิลอิลลัลลอฮอัตัรกวะูบ